อันนี้หลวงพ่อก็จะทำมาที่จะมาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอมันมีขั้นตอนก็คือว่าเดิมหลวงพ่อก็ไม่ได้รู้อะไรใช่ไหมทีนี้ก็หลวงพ่อก็ต้องไปเรียนไปฟังไปอ่านไปพูดคุยสนทนาแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจมาก็เอามาบวกผสมผสานกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจ แต่สิ่งที่สอนได้ดีที่สุดก็คือประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยมันอยู่เหนือเหนือคําพูดของผู้สอนนะอยู่เหนือความคิดของเราเองนะแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงปรากฏขึ้นจริงกับชีวิตนี่เห็นไหมมันจะเข้าเรื่องกับสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตนะถ้าเป็นผู้สังเกตก็จะเห็นสิ่งที่เกิดมากมาย แล้วก็ถ้าสังเกตต่อก็จะรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นหมดสิ่งนั้นหมดไปนะถ้าสังเกตเพราะงั้นเรื่องนี้ว่าไปแล้วก็คือจริงๆอ่ะเราจะรู้หรือไม่รู้นะหมายถึงว่าจะรู้สิ่งที่ปรากฏหรือไม่รู้สิ่งที่ปรากฏแต่ความปรากฏนั้นอ่นะเมื่อปรากฏแล้วจะต้องหมดไปนะจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไปพบเรื่องนี้แหละเรื่องความจริงที่มีอยู่แล้วแต่ผู้คนก็ไม่ค่อยได้รู้กันท่านก็เลยมาบอก มาชี้ให้ดูว่าอ่าสิ่งนี้ปรากฏแล้วสิ่งนี้มีแล้วจงท่านจงมาดูเถิดอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็สิ่งที่ให้ดูง่ายที่สุดก็คือดูที่ตัวเรารู้ที่ตัวเราเพราะว่ามันอยู่กับตัวใช่ไหมเออไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปอะไรที่มันอยู่นอกตัวไกลๆพระพุทธเจ้าก็เลยจึงมงุ่งเน้นมาว่าหนทางของการปฏิบัติเนี่ยเพื่อความ เข้าถึงว่าบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือก็คือมีสติรู้ตัวนะทีนี้พอพูดถึงตัวนะมันมีอะไรบ้างหลวงพ่อจะพย่อยๆจะพูดย่อ ย, ย, อยๆก็คือว่าตัวเราก็มีร่างกายกับจิตใจเนาะร่างกายพวกเราก็รู้จักดีจิตใจก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของความคิดเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น ในจิตในใจพวกเราก็ผ่านมาหมดแล้วแหละรู้จักหมดแล้วแหละอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนาะสุขบ้างทุกบ้างเบื่อบ้างชังบ้างสารพัดที่เราบ่นกันตลอดนั่นแหละนั่นแหะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอ่ะที่เราบ่นกันตลอดเวลานะเช่นเวลามันไม่สบายใจก็บ่นว่าโอ้วันนี้แย่มากเลยไม่สบายใจเลยอันนั่นแหละความรู้สึกเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการพูดมีการพากมีการบ่นในใจนะ สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏก็หมายความว่าสิ่งที่ปรากฏบางอย่างก็รู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วยิ่งปรากฏบ่อยๆก็ยิ่งรู้บ่อยๆนะแต่มันก็มีบางสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนกันแต่รู้ไม่ได้หรือรู้ไม่เป็นนะเพราะว่ามันไม่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังนะก็เลยไม่รู้จักสิ่งนั้น แต่ถ้าสิ่งอื่นๆถ้าได้ยินได้ฟังมาก่อนมันก็เป็นการชี้บอกทางว่า อ, อ๋ออันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทีนี้ถ้าผ่านการได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยพอสิ่งนั้นปรากฏมันก็ระลึกได้ใช่ไหมอยังหลวงพ่อสมัยก่อนเรื่องปฏิบัติธรรมใหม่ๆ่นะเรื่องความรู้สึกตัวครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไปไปทําเถอะไปทําเยอะๆไปเดินเยอะๆไปยกมือสร้างจังหวัดเยอะๆเดี๋ยวก็รู้เองนะ ซึ่งตอนฟังใหม่ๆการยกตัวอย่างการบอกว่าอะไรที่ปรากฏเนี่ยเราก็ไม่ชัดเจนคือฟังไม่ค่อยออกฟังไม่เข้าใจก็เลยว่าไม่รู้อะไรปรากฏบ้างแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปฏิบัติไป เ, ออเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างทีนี้ตั้งแต่ว่าการฟังใหม่ๆข้อมูลเนี่ยมันไม่มียังไม่เพียงพอก็เลยไม่รู้จักสภาวะธรรมที่กาลังปรากฏ เราก็ไปหาสิไปหาว่าเออเดี๋ยวอะไรปรากฏเดี๋ยวรู้ก็เลยเอาตัวเราพยายามจะค้นหาว่าอะไรปรากฏบ้างแต่ลึกๆเนี่ยลึกๆด้วยความโง่เขาก็นึกว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต้องเป็นสิ่งที่แบบแปลกประหลาดเป็นมหัศจรรย์แบบซึ่งไม่เคยพบไม่เคยเห็นเนาะซึ่งมันมีลักษณะอาจจะเป็นรูปร่างนะเช่นรูปร่างที่มันอยู่ใต้ดินตัวแปลก หรือว่ามันอยู่บนท้องฟ้าตัวแบบแปลกๆที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะเพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัวแต่คิดอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ไปพบไปเห็นเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแปลกๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่มันไม่ใช่อยู่ในตัวเราอะ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในกลางอากาศก็ได้อยู่ในดินก็ได้อยู่ในท้องฟ้าก็ได้อยู่ไหนๆก็ไม่รู้มันก็เดาไปทีนี้พอเราไปปฏิบัติไปเดินจงกรมนะก็เพื่อที่ ดูว่าเอออะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองปรากฏว่าเดินไปเดินมามันก็ไม่ได้รู้ในสิ่งที่เราคิดว่าจะจะต้องพบสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้รู้สิ่งนั้นไงเพราะเราเคยเคยหวังเคยหลงไปว่าต้องรู้สิ่งนั้นถึงนั้นแต่ปรากฏว่าระหว่างปฏิบัติมันไม่เห็นไม่พบสิ่งนั้นอาจารย์ก็เลยถามว่าอ้าวเป็นไงปฏิบัติแล้วรู้เห็นอะไรบ้างหลวงพ่อก็บอกไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลย ที่หลวงพ่อบอกแบบนี้เพราะอะไรหลวงพ่อไปวางเป้าไว้แล้วว่าสิ่งที่เห็นคือต้องเป็นไปตามที่เราเรามาโนเอาไว้ว่าต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่เห็นตามที่มโนเอาไว้จึงบอกครูบาอาจารย์ว่าไม่เห็นแต่ว่ามันมีบางคาที่หลวงพ่อพูดบอกอาจารย์ไปบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าระหว่างเดินเนาะมันมีความเมื่อยเนาะ มีความเมื่อยมีความร้อนวูบว่านะมีความเจ็บเท้าเจ็บอะไรเนี่เนาะแล้วก็มีความง่วงนะมีความง่วงมีอะไรเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดแล้วก็เหนื่อยนะอาจารย์ก็ฟังแล้วก็ได้แต่ ย, ยิ้มตรงเนี้ยโยมมองออกไหยว่าสิ่งที่หลวงพ่อไปส่งการบ้านะประโยคแรกหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนั่นแปลว่าเรา อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราโมโนแล้วมันก็ไม่ได้เห็นตามที่เราโมโนไว้ก็เลยบอกว่าไม่เห็นแต่ความจริงอะสิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าน่ะอะไรล่ะที่มันกำลังปรากฏเฉพาะหน้าตอนนั้นก็คือการเดินการเดินเนี่ยกำลังปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่รู้ไม่เห็นความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจอะในกายอะ มันก็ปรากฏให้รู้ว่าเห็นอยู่แล้วแล้วก็รู้เห็นด้วยนะแต่ก็ไม่รู้จักว่าอันนี้แหละเป็นเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตไม่รู้จักความง่วงความเบื่อความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในใจมันก็มีนะแต่ก็ไม่รู้จักว่านั่นแหละคือเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏซึ่งจะต้องเรียนรู้มันแล้วก็อาศัยมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติ ทีนี้หลวงพ่อก็พอได้ประสบการณ์แบบนี้ทุกวันเนี้ยหลวงพ่อก็มองมานึกถึงว่าเออญาติโยมทั้งหลายเนาะโยมผู้ใหม่เนี่ยเขาก็คงคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อนั่นแหละเพราะว่าพื้นฐานเดิมมันไม่มีอะไรเลยต้นทุนของสติปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นคงงงเหมือนไก่ตาแตกเหมือนกันแต่สิ่งเหล่าเนี้ยช่วยได้นะไอความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยช่วยได้จากการที่เราต้องมาพูดมาคุยเนี่ย เพื่อจะได้รับฟังกันว่าอ๋อเขาเรียนธรรมะเนี่ยเขามาเรียนรู้อะไรทีนี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องแต่เมื่อได้ยินได้ฟังเนาะมีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เขาก็มาบอกว่าอ๋อการเรียนธรรมะกนี้ไงมาเรียนรู้ความจริงความจริงสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันอ่ะแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างว่าอะไรบ้างที่ปรากฏในปัจจุบันท่านก็บอกว่าเออในตัวเราเนี่ยมันก็มีร่างกายไง เนี่ยร่างกายก็มีกายใช่ไหมเดินเนี่ยกําลังทําอะไรหละ่ะตอนเนี้ยนั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันกําลังปรากฏเนี่ยในท่านั่งอยู่เนี่ยก็รู้ไปสิได้อย่างนี้ก็ได้คอร์สมอนแล้วต่อไปเมื่อเดินนั่นแหะร่างกายมันเดินอ่ะหรือว่าตัวเราเดินอ่ะก็รู้สิอ่ได้คอมอนแล้วว่าอ๋อเมื่อเดินก็ให้รู้เมื่อนอนนั่นแหละปัจจุบันตอนนั้นอนอนอยู่รู้ไหมอ่ะก็รู้ไปสิ อ๋อรู้แล้วว่านอนอ่ากำลังเยินเดินนั่งนอนก็หัดรู้สิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไปไปไปก็เรียกว่าให้เกิดการระลึกรู้ขึ้นมาในปัจจุบันนั้นว่าตัวเองอ่ะร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ไปเห็นไ แล้วก็ทีนี้ทางจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนอะบอกรู้จิตรู้อะไรอ่ะรู้จิตอ่ะรู้จิตรู้ใจรู้อะไรอ่ะใช่ั้มเพราะเราไม่เคยได้ยินนะครับอาจารย์เขาบอกว่าหรือว่าในวงสนทนาเนี่ยก็บอกว่าเอ้าก็รู้สิรู้อาการที่มันเกิดขึ้นในจิตอ่ะเช่นความโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าความวิตกกังวลเนี่ยความทุกข์ความสุขเยความสงบความนิ่งความเฉยความเบาสบายหรือความอึดอัด ความง่วงเหงาเอานอนความลังเลสงสัยฮะเอะแล้วก็ความพยาบาทความอาฆาตมาดร้ายอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตก็รู้มั น, นคือถ้ามันมีแล้วก็รู้แต่ถ้ามันไม่มีมันก็รู้ไม่ได้เพราะมันไม่มีให้รู้เอแต่ก็มันต้องรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะ่ะถ้าเรามีสติเนาะเออมันก็เพราะว่าในกายในจิตมันมีอยู่ตลอดเวลามากมายอแล้วก็ความคิดความคิดมันก็ ขุดขึ้นมาเนาะบ่นพูดภาคอะไรตัวเนี้ตัวใสที่สุดอ่ะมันรู้อะไรมันก็บ่นลูกเดียวเวลามันสบายมากมันก็มันก็ชื่นชมบอกโอ้ดีจังเลยสบายจังเลยเหไหมเพราะฉะนั้นเวลามันรู้อะไรเนี่ยมันก็จะพูดจะภากหรือว่าเวลาไม่สบายมันก็บ่นพูดภาคโอ้แย่ yeah, จังเลยเราไม่น่าเป็นกับเราอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรนักหนาะเนี่ยตัวพูดตัวภากตัวบน่นมันบ่นตลอดแหละแม้กระทั่งเฉยเฉยอ่ะ มันก็บนบอกวันนี้ใจนิ่งจังเลยเฉยนะเพราะนั้นนะความคิดก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนั้นนะทีนี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นกําลังปรากฏแต่ก็ไม่รู้จักเพราะนั้นประโยชน์ของการฟังนี่แหละก็คือตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปัญญาสามเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นจากการฟังนะอย่างไรก็ต้องฟัง แล้วโดยเฉพาะฟังคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้เป็นเลิศพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็คือถ่ายทอดจากผู้รู้นี่แหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดให้เราฟังแล้วไม่มีเสียงเทปเสียงอะไรก็ไม่มีมีแต่ปรากฏทางหลักฐานทางเอกสารซึ่งอันนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นคําพูดแต่เป็นสิ่งที่บันทึกขึ้นมาในภายหลังนะแต่ก็ถือว่าอาศัยเป็ น, ปนแผนที่เป็นแนวทางได้แต่จะให้เป๊ ะ, ปะว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรนะหมดสิทธิ เพราะว่าเสียงของท่านไม่มีแล้วถึงมีเราก็ฟังไม่ออกก็เลยจำเป็นต้องอาศัยผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรที่จะมาเล่ามาบอกเอาละที่หลวงพ่อไตเติ้ลมานะก็พอจะเป็นที่พอเข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ปรากฏนะสิ่งที่ปรากฏก็ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างโดยคร่าวๆนั่นแหละเดินยืนนั่งนอนเนี่ยสิ่งที่ปรากฏ ขูดเหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยอ่าน้จไหลกว่าคืนน้าลายไอปากหายใจเข้าหายใจออกนะเดินหน้าถอยหลังท่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนี่พวกนี้ถ้าคือมันเป็นสิ่งที่ปรากฏหมดแหละแต่ว่ามันปรากฏตอนไหนอ่ะจริงจมันก็ปรากฏแค่ในปัจจุบันแหลนะเนาะอย่างตอนนี้สมมุติว่าตอนเนี้ยกําลังนั่งอยู่อ่ากิริยาท่าทางการนอนก็ไม่มีไม่ปรากฏแต่ก็ปรากฏในท่านั่ง หรือว่าความโกรธความโมโห О, ตอนนี้มันไม่มีมันก็ไม่ปรากฏนะ้วถามว่าอะไรปรากฏมันก็มีอย่างอื่นนะที่ปรากฏแต่ความโกรธความโมโห О, ไม่ปรากฏมาเออเพราะนั้นเนี่ยรับรู้แต่สิ่งที่กําลังปรากฏโดยเฉพาะในปัจจุบันถ้าไม่รู้สิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรม ถ้าหลงลืมตัวลืมตัวลืมกายลืมใจไม่รู้สึกตัวไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยเพราะว่าสติไม่มีเลยเมื่อสติไม่มีมันก็หลงแต่ถ้ามีสติเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นระยะเป็นระยะเป็นขนาไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าอ่ะยังมีสติอยู่แต่สติมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันก็บางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีนะก็ก็มันเป็นเป็นชนนั้นเอง ทีนี้การปฏิบัติก็อย่าเอาตัวเราไปไปอยากได้สติว่าต้องมีสติตลอดเวลาเลยอย่างนี้แสดงว่ามีตัวเราและมีความโลภแล้วซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็จะทุกข์มาก เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการที่มีความโลภความอยากหรือว่าตัณหาพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ จะไม่เกิดทุกข์ได้แต่ก็ใหม่ๆมันไม่รู้จักหรอกว่ามันโลภแล้วเนาะมีตัณหาแล้วมีภวะตัณหาไม่รู้จักตัวนั้นต้องรู้จักสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏที่มันเป็นหยาบๆไปก่อนเนี่ยก็คือรู้กายเคลื่อนไหวนะแล้วก็ต่อมาก็เห็นใจนึกคิดเห็นอารมณ์รู้กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวตลอดเวลานะเออคอยสังเกตไว้กายเคลื่อนไหวแล้วก็อารมณ์ความคิดความรู้สึกจริงๆมันก็มีตลอดเวลาเหมือนกัน แต่ว่าอันนั้น่ะมันเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างจะรู้ได้ยากจึงจำเป็นต้องอาศัยากายเป็นฐานหลักไปก่อนฐานกายนี่เนาะเป็นเครื่องรู้ทีนี้จริงๆการปฏิบัติมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแหละเนาะเออบางทีรู้จักกายแล้วว่าอกายเคลื่อนไหวรู้จักแล้วเดินดินนั่งนอนรู้จักแล้วแต่เนี้ยได้รู้จักแต่กายแต่ความจริงะ่ะขณะที่รู้กายเคลื่อนไหวนั่นมันมีจิตไปด้วยแล้วคือมีจิตรู้ นะมีสตนะิกายมันไม่รู้อะไรเลยมันแค่ปรากฏแต่ก็รู้ไม่ได้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อว่ามันต้องมีจิตที่ไปรับรู้นะการที่มีจิตรับรู้ได้นั่นองคือต้องมีสติถึงจะรับรู้ได้คือระลึกได้ขึ้นมาว่า อ, อ๋อกายไม่อยู่กายกำลังทำอะไรเพราะงั้นตรงนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้กายว่ากายคือมีลักษณะอย่างนั้น คือเคลื่อนไหวแต่มันไม่รู้อะไรส่วนจิตนะไม่ใช่กายแต่เป็นนามธรรมซึ่งรับรู้อารมณ์คือรับรู้กายได้ระลึกได้ตรงเนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักว่ากายก็ส่วนกายจิตที่ทําหน้าที่รับรู้หรือว่าสติที่เป็นตัวที่จะทําให้เกิดระลึกได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่กายแต่ต้องอาศัยกาย แต่ต้องอาศัยกายเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าไม่มีกายเป็นเครื่องรู้ของจิตจิตก็ไม่รู้จะรู้อะไรอ่าเห็นไหมวันนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากที่จะทำให้อย่างน้อยจากการได้ฟังวันเนี้ยก็รู้จักว่าอ๋อการที่มีสติรู้กายเนียมันเกิดแล้วก็คือทั้งกายทั้งจิตอืมทีนี้อไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหลวงพ่อเนียฝึกสติมานาหลายปี ไม่เคยรู้จักว่าตัวสติจริงๆมันคืออะไรนึกว่าไอ้ที่เดินน่ะนะตัวคือตัวสติไอ้ที่นั่งอ่ะคือตัวสติหรือว่าไอ้การที่ยกมือเคลื่อนไหวจุดจังหวะเนี่ยตัวสติแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมาพิจรารณาอันนี้เหมือนกับว่าหลวงพ่อต้องว่าเหมือนกับว่ามันเข้าใจด้วยตัวเองนะคืออาจจะมีครูบาอาจารย์ท่านอธิบายแล้วแหละแต่เราไม่เข้าใจหมายถึงว่าผู้อธิบายก็เป็นความรู้ของของท่านเนาะแต่ความเข้าใจที่ ที่เป็นความเข้าใจจริงๆอ่ะมันมันยังไม่เกิดแต่มันจะเกิดต่อเมื่อมันมันถึงจุดหนึ่งเลยเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อกายก็คือกายสติมันก็คือสติมันคนละคนแล้วว่าเป็นคนละอย่างกันอ่ามันเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อเวลาเดินนั่งนอนเนี่ยอันั้นมันเป็นแค่อุปกรณ์เฉยๆเป็นแค่อุปกรณ์เป็นเครื่องมือ ก็เลยเอาอุปกรณ์นั่นแหละเจตนาทําให้มันเดินขึ้นมามันเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็ต่อมามันก็รู้เองอเช่นยกมืออย่างเงี้ยยกมือพอยกพอมันมีเจตนาจะยกใช่ไหมอพอเจตนาจะยกมันก็รู้สิว่ายกแล้วแล้วก็พอหยุดอ้าวมันก็รู้ว่าหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยจึงทําหน้าที่รับรู้คือเคลื่อนไหวก็รู้หยุดก็รู้เห็นไหมมันรู้รอบหยุดก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้ อันนี้ก็เรียกว่ามันรู้กายตีนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆบางครั้งบางคราวมันไม่ได้เจตนาที่จะเคลื่อนไหวนะเช่นการหกล้มการถูกอะไรกระแทกแรงๆแล้วร่างกายมันเคลื่อนไปอย่างเงี้ยเช่นเพื่อนถีบ <c oughs> เพื่อนถีบอุ้มตกน้ำหลวงพ่อชอบพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีมันใช่เลยอะหรือว่าถูกรถชนประเด็นอย่างเงี้ยมันใช่เลยคือ มันเคลื่อนไหวเพราะมีเหตุปัจจัยให้เคลื่อนไหวเราความเป็นเราเนี่ยไม่ได้มีในในการเคลื่อนไหวเลยเพราะเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้กระทำแต่มันเคลื่อนไหวเองนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการรับรู้ละเวลากายเคลื่อนไหวอย่างนั้นนะมันรับรู้เองได้ไหมอหลวงพ่อยืนยันได้เลยร0อปรซรู้ได้ไม่มีไม่มีจิตดวงไหนที่ไม่รู้กายที่เคลื่อนไหวเมื่อมันมีเหตุปัจจัยอย่างนั้น มันรู้ได้เลยว่าร่างกายเคลื่อนไหวปืดแล้วก็หยุดแล้วก็ปืดมันรู้แบบแบบไม่ต้องไม่ต้องตั้งรู้มันรู้แบบไม่ต้องจงใจรู้นะมันรู้เลยแล้วมันรู้แบบอย่างธรรมชาติมากๆเลยมันรู้เป็นขณะเป็นขณะเลยเร็วมากเลยแต่มันไม่ได้นับว่าทักเท่าไหร่แต่มันรู้เลยว่าเป็นขณะเป็นขณะเช่นยกตัวอย่างนะสมมติว่าโยมลองเอา ลองเอาให้คนอื่นเตะเราก็ได้เรายืนให้เขาเตะนะตั้มตั้มตั้ตั้พอผัดสะทีหนึ่งมันรับรู้ทีผัดสะทีรับรู้ทีหนึ่งแล้วก็ไอ้ช่วงที่ไม่ผัดสะนะมันก็ยังรับรู้เลยมันรู้เองนะโยมอย่าไปจงใจรู้ถ้าจงใจรู้มันจะใบบังแล้วก็ทําให้แบบไม่เห็นความจริงยืนให้เขาเตะอย่างนั้นนะโยมไม่ต้องคิดอะไรหรอกให้เขาเตะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหรู้รัวๆวเลยนะรู้รัวรัวนี่คือการรับรู้ของจิตที่มันมันไว แต่เราไม่เข้าใจเรื่องจิตเราก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่จริงๆจิตมันทําหน้าที่รับรู้ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาตรงนี้เห็นไหมเราแยกเป็นแล้วนี่ว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตนะแล้วก็กายกับจิตมันก็ทํางานด้วยกันแหละเออมันอาศัยกันมีกายอย่างเดียวก็ไม่ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่รู้เรื่องไอ้มีจิตอย่างเดียวไม่มีกายก็ก็เป็นไปไม่ได้เนาะเออเพราะนั้นมันอาศัยกัน อ, อ่าทีนี้กลับมาเรื่องของสิ่งที่กําลังปรากฏ ที่หลวงพ่อเล่าในอดีตอันนั้นก็เคยปรากฏนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นี่ที่สําคัญเนี่ยอะไรกําลังปรากฏมั่งเอาสิ่งที่อยู่นอกตัวบ้างนะสมมติว่าหลวงพ่อเพื่อให้เกิดการรอบรู้สักหน่อยนึก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏนอกตัวก็คืออะไรเช่นทางตาเนาะก็คือสิ่งที่ถูกถูกมองเห็นน่ยอะไรล่ะมองเห็นอะไรล่ ะ, ะไม่ต้องบอกชื่อหรอกเพราะว่าถ้ามวัวจะคิดชื่อว่าชื่ออะไรมันยุ่งยากมากเอาเป็นว่า เอาแค่เห okay, ็นพอเห็นอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องไปกําหนดว่าเห็นอะไรแต่ถ้ามันจําได้ก็ไม่ได้ห้ามมันเห็นสิ่งถูกเห็นก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏ อ, อันนี้พูดถึงเรื่องเห็นนะอันนี้พูดถึงเรื่องการได้ยินบ้างนะการได้ยินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเที่หลวงพ่อกําลังพูดอยู่เนี่ยก็ได้ยินอยู่นะการได้ยินก็คือเป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเสียงที่กําลังมีอยู่ก็เป็นสิ่งที่กําลังปรากฏอ่าเห็นไหม เพราะนั้นหลวงพ่อพูดอย่างยออ่อเนาะอเช่นสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาก็มีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏทางหูคือเสียงก็มีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่กําลังปรากฏทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็มีอยู่เออเนี่ยสิงเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดคําว่าปรากฏกับการเกิดเนี่ยจริงๆก็พูดไปก็เพื่อให้มันเข้าใจชัดขึ้นนะบางคนบอกว่า คำว่าปรากฏคืออะไรวะไม่เข้าใจก็เลยเพิ่มเติมมาอย่างหน่อยปรากฏก็คือก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไงเกิดขึ้นมาให้รับรู้รับรู้ทางหูทางตาทางจมกูกทางเลี้ยงทางกายทางใจอันนั้นก็เรียกว่ามันปรากฏหรือว่าจะเรียกว่ามันเกิดก็ได้นะอ่ะละพอทีนี้พอเรารู้จักสิ่งที่ปรากฏแล้วนะก็เยอะแยะมากมายถ้านอนไม่หลับถ้าเราไม่เหม่อเพลิน เ, เนี่ยมันก็จะรับรู้ได้ทีนี้อปัญหาก็คือ คือผู้ปฏิบัติใหม่นะบางทีหนึ่งไม่รู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ตอนนี้รู้จักแล้วพอหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างประกอบให้ฟังแล้วอ่าทีนี้ต่อมาผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมานานแล้วอะนะมานานแล้วเนี่ยมันถึงขั้นต่อยอดว่าแล้วทำยังไงให้พ้นจากธรรมชาติที่มันปรากฏให้พ้นนะ อ, อให้มันหลุดให้มันพ้นออกไปให้มันไม่เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นนะหลวงพ่อจะบอกพูดแบบง่ายๆก่อนที่พวกเราเข้าใจได้สมม ว, ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนาะไปเห็นอะไรเข้าละ่ะตอนนี้ถ้าอยู่ในห้องในบ้านเนาะก็จะเห็นกรอบรูปบ้างเห็นนาฬิกาเห็นป้าเห็นม่านเห็นอะไรก็ไม่รู้นะเห็นหสิ่งนั้นมีอยู่กำลังปรากฏ หลวงพ่อก็บอกว่าแล้วจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ปรากฏนั้นได้อย่างไงก็มันหลุดพ้นอยู่แล้วไงหลุดพ้นหมายความว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นมันคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นมันการที่เราไม่เป็นมันเนี่ยเขาเรียกว่าเรา่หลุดพ้นจากมันเออนะการที่เราเนี่ยไม่เป็นมันนะหมายถึงว่าเราไม่เป็นสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าเราเนี่ยไม่เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่ถูกเห็น อย่างเนี้ยถ้าไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าหลุดแล้วพ้นแล้วแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเช่นไปเห็นม่านแล้วเราเป็นม่านไปเห็นกรอบรูปเราเป็นกรอบรูปไปเห็นผนังบ้านเราเป็นผนังบ้านอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเข้าไปไปเป็นอันนั้นไม่หลุดพ้นแต่ดีนะว่าไอธรรมชาติเนี่ยมันให้มาโดยที่ว่ามันให้มาเหมือนกับว่าไอสิ่งที่ถูกเห็นน่ะ คือมันมันเหมือนกับว่าหลุดพ้นอยู่ตลอดเวลาว่าอันนั้นไม่ใช่เรานะหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างนะว่าเห็นหมาหมาเป็นเราไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าหมาไม่เป็นเราเราไม่เป็นหมาแล้วก็จะเห็นควายแบบเนี้ยเห็นวัวเห็นควายเห็นเป็ดเห็นไก่เราเป็นสิ่งนั้นไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวร้อยเปร์เซ็นเลยบอกเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นอันนี้คือธรรมชาติให้มานะมันดีมากเลยไม่ต้องมามาสลัดออกไม่ต้องมาสลัดคืนเพราะว่า มันสลัดออกมาตั้งคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ยากอะไรแต่ทีนี้ไอ้ <c oughs> สิ่งที่ยากก็คือว่าสลัดออกมาจากตัวเราได้ยังไงที่เราบอกว่าเราเรามีความเป็นเราอยู่มีตัวมีตนเนี่ยเราจะสลัดจะทำยังไงจะสลัดออกยังไงให้พ้นจากความเป็นตัวตนออให้จนกระทั่งว่าเราไม่มีเราต้องต้องเป็นตัวตนน่ะหรือว่า ไม่มีเราต้องเป็นร่างกายไม่มีเราเป็นผู้ต้องเป็นจิตใจหรือว่าไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ไม่มีเราเป็นผู้สุขทํายังไงนี่ตรงนี้มันยากไอ้ตรงเนี้ยยากมากพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจพูดเท่าไหร่ก็ทะเลาะกันเพราะว่ามันเรื่องยากไงแต่ถ้าลองง่ายเมื่อไหร่นะความยากหายเกลี้ยงเลยนี่มันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าลองง่ายขึ้นเมื่อไหร่นะความยากไม่ไม่อาจจะตั้งอยู่ได้มันหายไปเลยแล้วก็เป็นความที่แบบ ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมันหลุดพ้นอยู่แล้วนะหลวงพ่อพูดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะสนทนาจะพูดคุยแล้วก็ยกตัวอย่างเพื่อให้มันหลุดพ้นไปจากสิ่งที่ปรากฏให้ได้ในปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องรอพวกนี้มารือ น, นี้หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนเอ่อต้องเป็นเป็นปัจจุบันนะ การหลุดพ้นเนี่ยต้องต้องยกตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะพูดเรื่องของเก่านะคนบางคนก็ฟังแล้วอาจจะเบื่อซ้ําพูดของใหม่บ้างก็ได้หลวงพ่อพูดถึงแบบนี้ดีกว่าเอาที่มองไม่เห็นด้วยตาเนาะสมมุติว่าโยมนึกถึงหมาหมาไอ้ดำํำตัวดําอยู่ตัวหนึง่งโยมนะนึกถึงหมาโยมมโม น, มโมนไปเลย เนี่ยพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้มันก็มาโน่เรียบร้อยแล้วล้วจิตมันปรุงแต่งไวจะตายยิ่งมันมีสัญญาจําได้เคยเห็นหมาดำํำใช่ไหมมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปหมาดําปรุงแต่งขึ้นมาวับวบเบลเบลวัวบวบเบลเมันไม่ได้ชัดเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อหรอกเพราะว่าตาตาเนื้อมันเพ่งจ้องเห็นได้นานใช่ไหมแต่ถ้าไปเห็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันววบเบลเบแต่ก็พอรู้ได้นะว่าหมาดําคืออย่างนั้นแหละทีนี้โยมดูนะว่าหมาดําเนี่ยเป็นสิ่งที่ ปรากฏขึ้นนะขณะที่ที่รู้ว่าเออมันมีหมาดํานะแสดงว่านั่นอนะ่ะมันปรากฏขึ้นแล้วมันปรากฏทางมนโนุษยทางจิตใจแล้วก็พอเห็นหมาดําป่าเห็นไหมมันจะรู้ด้วยเข้าใจด้วยด้วยปัญญาที่มันติดมาแล้วกับกับชีวิตอะ่ะมันรู้ว่าหมาดําก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งที่กําลังปรากฏซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เราวันก่อนอ่าโยมจอมพงบอกว่าล้านเอร์เซนตเลยสิ่งที่ถูกเห็นมันไม่ใช่เราล้านเปอร์เซนตเลย หลวงพ่อก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะทุกคนเข้าใจได้เลยว่าหมาดําที่ปรากฏขึ้นเนี้ยกําลังที่หลวงพ่อกาลังพูดอย่เนี่ยมันไม่ใช่เราร้อยเปอร์เซนตแต่ทีนี้เนี่ยทําไมมันจึงมันไม่ใช่เราร้อยเปซก็เพูาว่าเราเป็นผู้เห็นมันไงมันเป็นสิ่งถูกเห็นนะหรือว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้เราเป็นผู้รู้มันกับเราจึงเป็นคนละสิ่งกันอ่าเห็นไหมสิ่งถูกเห็นกับสิ่งกับผู้เห็นเนี่ย มันจะเป็นสิ่งเดียวกันได้ยังไงใช่ไห ม, มเมื่อมันเป็นสองสิ่งมันก็ก็เป็นคนละสิ่งยืนอยู่แล้วอย่างนี้มันจึงหลุดพ้นจากหมาดำใครหลุดพ้นนะ่ะเราสิเราเป็นผู้หลุดพ้นจากหมาดำคือเราไม่เป็นหมาตอนนี้ยังมีเราอยู่นะแต่ทีนี้จะหลุดพ้นจากตัวเรานี่สินี่ตรงนี้ยงฟังดีๆนะให้หลุดพ้นจากตัวเราเมื่อเห็นหมาแล้ว เราเป็นผู้เห็นหมาเห็นไหมเราเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้หมาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกำลังปรากฏอยู่ตัวเรามีอยู่ใช่ไหมโยมก็รู้นะว่าตัวเรามีอยู่ตัวเราปรากฏอยู่ทำไมไม่รู้รู้ตั้งแต่ว่ามันแยกระหว่างหมากับเราแล้วเพราะฉะนั้นรู้เราเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อเราก็มีอยู่นะรู้เราเรียบร้อยแล้วว่าเรามีอยู่ แต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาก็คือว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเราไม่เข้าใจเพราะยังยึดอยู่ว่าเรายังเป็นผู้รู้ผู้รู้หมาแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อรู้ว่าเราเป็นผู้รู้หมาแสดงว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเมื่อเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้ว ก็แสดงว่ามีธรรมชาติอีกหนึ่งที่มารู้เราจริงๆมันมีอยู่จริงถ้าธรรมชาติที่รู้เราไม่มีอยู่จริงแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นผู้รู้หมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละถ้าเข้าใจตรงนี้ได้นี่แหละมันจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราตัวเราที่เป็นผู้นั่งก็ดีก็เป็นสิ่งถูกรู้ ตัวเราที่เป็นผู้รู้หมาเมื่อกี้มันตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้คิดกำลังคิดคิดคิดคคิดคิดอันนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้ว่ากำลังคิดไอตัวเราที่เป็นผู้นั่งงงอยู่ตอนนี้กำลังงงงงเป็นไก่ตาแตกอะไรของมันวะอะไรของมันวะอนนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเห็นไหมสิ่งที่กำลังปรากฏก็คือตัวเราเนี่ยกาลังปรากฏให้ถูกรู้อยู่ เมื่อตัวเราเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้ถูกรู้แล้วตัวเรามันคืออะไรก็คือสิ่งที่ปรากฏถูกไหมเมื่อตัวเราเป็นสิ่งที่ปรากฏจะพ้นจากตัวเราได้อย่างไงจะพ้นจากตัวเราได้ก็ต่อเมื่อต้องมีสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นผู้รู้เราสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นผู้รู้เราสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่หลุดพ้นไปจากตัวเราตรงนี้มองเห็นได้อย่างว่า ตัวเราเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติหนึ่งอีกหนึ่งที่มารู้เราแต่ธรรมชาติอันนั้นเนี่ยเราไม่อาจจะไปรู้มันเพราะเหตุว่าถ้าเราไปรู้มันมันก็จะกลายเป็นสิ่งถูกเรารู้เห็นไม้มก็ยังมีตัวเราอยู่ดีเราเป็นผู้รู้มันแต่ธรรมชาติจริงๆแท้ๆเนี่ยมันรู้เราว่าเราเนี่ยกำลังหามันกําลังไป ค้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องมันแต่มันก็เรารู้เราว่าเราคิดคิดหัวจะระเบิดอยู่แล้วคิดเป็นตาไก่ตาแตกอยู่แล้วเนี่ยมันก็รู้เราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการที่ตัวเราเนี่ยที่มันประกอบด้วยความคิดบ้างความสงสัยบ้างการเคลื่อนไหวบ้างเนี่ยที่มันประกอบหลายๆส่วนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่กำลังปรากฏแต่ถูกรู้ด้วยธรรมชาติที่มันไม่ปรากฏ ไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่หลุดที่พ้นไปจากเราแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวให้รู้เราเราเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินเรานั่งก็ให้รู้ชัดว่าเรานั่งเรานอนก็ให้รู้ชัดว่านอนอนเราหายใจเข้าเราหายใจออกก็ให้รู้ชัดว่า หายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมล่ะไอสิ่งพวกนี้เป็นไอสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นสิ่งปรากฏทั้งสิ้นแต่ธรรมชาติที่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏที่เคลื่อนไหวได้กระดุกกระดิกได้อันนั้นเป็นความไม่ปรากฏไม่อาจจะถูกรู้ได้เลยถ้ามันถูกรู้ได้มันก็ไม่ใช่รู้สิใช่ไหมเพราะนั้นธรรมชาติรู้เนี่ยจึงไม่อาจจะถูกรู้ได้แต่มันรู้ทุกสรรพสิ่งได้มันรู้สิ่งที่ปรากฏได้รู้สิ่งที่ไม่ปรากฏได้ รู้ตัวจักรู้ตัวมันดีว่ามันมันคือใครนะมันรู้จักตัวมันดีว่ามันคือใครแล้วเมื่อมันรู้จักตัวมันดีว่ามันคือใครเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าอะไรที่เขาเรียกว่าทุกอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นความพ้นทุกทุกก็คือสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละอะไรที่ปรากฏนั่นแหละคือทุกทั้งหมดเมื่อวันก่อนเห็นก็พูดกันแล้วทุกคือสิ่งที่ปรากฏไม่ทุกคือสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุก อาการทุกข์กิริยาที่มันกำลังปรากฏนั่นแหะเขาเรียกว่าทุกเกิดขึ้นแล้วและทุกนั้นต้องดับไปส่วนนะนอกจากทุกที่เกิดแล้วนอกจากทุกที่ตั้งอยู่นอกจากทุกที่ดับไปแล้วไม่มีนี่ไงความไม่มีก็คืออะไรแล้วก็คือความไม่ปรากฏความไม่ปรากฏก็เมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรคือไม่ปรากฏนั่นแหละคือความไม่มีทุกความไม่เป็นอะไรคือพ้นไปจากทุก เพราะนั้นที่สุดแห่งทุกข์คือจะต้องมีปัญญาเข้าใจเรื่องธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่อย่างนั้นเนี่ยมันรู้จักแต่ธรรมชาติที่ปรากฏตะพื้นตะเพือไปเขาเรียกว่ารู้จักแต่สิ่งที่เกิดที่ดับแต่ไม่เคยรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดและก็สิ่งที่ไม่ดับเมื่อสิ่งนั้นไม่ปรากฏจะเรียกว่าเกิดได้ยังไงหรือเ <c oughs> มื่อสิ่งนั้นไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดแล้วมันจะดับไปได้ยังไง <c oughs> นั่นแหละคือธรรมชาติที่รู้เราแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิด เป็นธรรมชาติที่เป็นอ ม, มะตะอ ม, ม, ะ ต, ะอ ม, มะตะธาตุอมตะธรรมนิรันดร์การเป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วและก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นต่อไปคือเป็นความที่ไม่ปรากฏตลอดไปส่วนตัวเราเนี่ยซึ่งประกอบด้วยขันธ์ทั้ง5้าเป็นสิ่งที่มาชั่วคราวแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปตายไปหมดเพราะฉะนั้นฝ่ายเนี้ยไอซิกเนี้ยเป็นซิกก็เรียกว่าเป็นซิกที่เป็นสังขารปรุงแต่ง เป็นซิกที่เรียกว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาไอตัวซิกที่เรียกว่าเป็นเราอนะะแต่สิกนู้นอะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่พ้นแล้วจากความปรากฏจึงเป็นภาคแห่งความไม่ทุกข์จะเรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้แล้วแต่จะบัญญัติแต่ว่ามันไม่ใช่ภาคนี้แต่มันเป็นภาคนูน้นเพราะนั้นเนี่ยถ้ารู้จักภาคนู้นแล้วเนี่ย มันเรเรารู้จักสองภาค ก, กันนะไอภาคทุกก็รู้จักแล้วไอภาคที่ที่สุดแห่งทุกคือภาคไม่ทุกก็รู้จักแล้วมันก็คือจบตรงเนี้ก็เรียกว่าจบแล้วไม่มีอะไรต้องเรียนรู้ไม่ต้องมีอะไรต้องศึกษามากกว่านี้แล้วมันก็จบนี้แต่ก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าไอความเป็นตัวเราเนี่ยอย่าอย่าไปเอาอยา่าเขาเรียกว่าย่าหลงไปให้ตัวเราไปเป็นฝ่ายที่ไม่ทุกขพิดอีกแล้ว ตัวเราจริงๆความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีนะไม่ว่าภากไหนไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาหมดเลยไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลงเอาเป็นตัวเป็นตนอีกว่าไปอยู่ภากนน้นดีกว่าสบายเยอะจะได้ไม่ทุกข์อย่างนี้ก็ผิดเพราะอันนั้นนะ่ะทั้งสองภากเนยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงนะแล้วมันก็ไม่ใช่เราแล้วก็อย่าตรงนี้สํำคัญว่าอย่าหลงไป ไปเป็นอย่าหลงว่าไอ้ฝากโน้นไม่ทุกแล้วเราไปอยู่ฝากโน้นดีกว่าเราจะได้พ้นทุกนิรันดร์การผิดต้องให้รู้เท่าทันว่าไอเราเนี่ยที่มันโผล่จะไปเป็นเสี้ยงนั้นอันนี้ก็คือฝั่งที่เกิดฝั่งที่ดับให้รู้เท่าทันแต่จริงๆอะถ้าฟังแบบนี้ยมันก็ลื่นหูแล้วไม่สะหลับซับซ้อนแล้วเพราะมันเห็นตามได้ว่าโอ้ธรรมชาติสองประเภทนี้สองฝ่ายนี้มีอยู่จริงเนี่ยคือธรรมะล่ะ อยู่จริงก็ภาษาที่บัญญัติก็บอกว่าไอ้ควายวายทุกเนี่ยก็เรียกว่าควายสังขารปรุงแต่งใช่ไหมเป็นสังขารธรรมหรือเป็นสังคตธรรมอ่าแต่ฝากโน้นเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธรรมนะฝากโน้นนี่แหละคือฝากนิพพานฝากนี้คือฝากทุกแต่จริงๆทั้งสองฝากนี่แหละก็คือเป็นธรรมชาติที่มันอยู่คู่กันมันไม่ได้ มันไม่ได้ควายกันหรือว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนกันหมายความว่าไอ้ควากทุกข์นี่มันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ล่าไปคือเกินดับอยู่รําไปมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดมีเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ดับส่วนภาคโน้นเนี่ยไม่ต้องอาศัยเหตุไม่มีเหตุปัจจัยที่ต้องให้เป็นอะไรไม่ต้องอาศัยเหตุเลยมันก็จึงเป็นเป็นควากที่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะเมื่อรู้จักสองควกแล้วเนี่ยก็จบแล้วเอวังเลยอ่ะ